บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติธรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยาแห่งความไม่รู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการที่เริ่มต้นโดยทุกขสัจนั้นเพงสังเกตว่าเป็นอาการของโมหะหรือ ว, วิชาที่ก่อให้เกิดปันานานาประการเพราะว่า อุจชาคือความไม่รู้นั้นเป็นรากงาวของบาปของอุปจนทั้งหลายให้ลองตรวจสอบดูจิตใจของเราอะไรก็ตามที่เราโลภแสดงว่าเรามีความหลงตัวในสิ่งนั้นๆด้า น, น, นอาการของความโลภที่บังเกิดขึ้นนั่นเองถ้ามีการได้ตามที่เราอยากเราโลภเราต้องการความโลภ ก, ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเกิดความโกรธต่อคนที่มาขัดขวางมาเป็นอุปสรรคมาตัดรอนไม่เราได้ตามที่เราอยากและพร้อมที่จะเกิดความโศกคือความทุกข์ความเสียใจเมื่อไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะการเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย นั้นประเด็นที่สาคัญจึงทรงสแสดงไว้ว่าความทุกข์ตั้งมวล น, นั้นกล่าวโดยสรุปแล้วเกิดขึ้นจากจิตที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ตราบใดที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีอยู่การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงมุ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ในเรื่องดัง น, นั้นอย่างน้อยก็สามารถบรรเทาความทุกข์ที่บางเกิดขึ้น ในกรณีของเรื่องทุกขสัตว์เราจะมีคําสอนในแนวที่ให้เรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตว่าเขาก็เป็นเขาเขาอย่างนั้นสปรปจีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเขาก็เป็นอย่างที่เคยเป็นมาสิมีชีวิตซึ่งปรากฏอยู่ในปัจจุบันที่จริงก็เหมือนกับชีวิตในอดีต และแม้จะมีชีวิตในอนาคตก็จะเป็นเช่นเดียวกับชีวิตในปัจจุบันและชีวิตในอดีตในช่วงแรกๆก็สอนให้พิจารณาปรับใจใยอมรับความจริงของชีวิตว่ามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาและในช่วงเหล่านั้นเองจะมีการพัาดพลา ด, ดสูญเสีย การพลราดพาดก็ดีความตายก็ดีไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีใครกำหนดหมายได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็ต้องเกิดขึ้นแก่ชีวิตทุกชีวิตจะมากหรือน้อยเท่านั้นเพราะเรื่องเหล่านี้ระดับหนึ่งก็ท่งสอนให้เกิดความไม่ประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคพยายามใช้โอกาสที่มาถึงในแต่ละขณะ ให้เกิดสารแกนสารขึ้นแก่ชีวิตของตนแลแแกนสารจริงๆที่เราจะหยิบช่วยเอาได้ก็เป็นเรื่องที่ปัจจุบันเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่ว่าจะมาหรือไม่มาเรื่องอดีตก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็สอนให้สนักชัดในปัจจุบันในปัจจุบันนั้นก็เกี่ยวข้องกับการเวลาคือมันก็เลื่อนไหลไปเรื่อย ก็ทรงเน้นไปที่การรู้จักใช้เวลาในเวลานั้นเนื่องจากชีวิตเราที่จริงเป็นขณะคือเราตายอยู่ทุกขณะที่จะเรียกว่าคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะเพียงแต่มีอาการเกิดสืบเนื่องกันไปแบบกระแสไฟกระแสน้ําเพราะในช่วงที่ได้แรงความเพียรสติปัญญาจะมีอยู่ก็รีบเร่งกระทาความดีเอาไว้ มองกระตุน้นให้เกิดความฉับไวความรวดเร็วรีบตักตวงผลประโยชน์ที่จะพึงมีจะพึงได้เันมองชีวิตเหมือนกระเรือนที่ถูกไฟไหม้บ้างมองชีวิตเหมือนเรือที่กำลังจะจมบ้างมองชีวิตที่มีภัยอันตรายคุกคามอยู่รอบด้านจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และยังนำตัวอย่างบุคคลที่ สามารถใช้ชีวิตซึ่งระวังแก่ตายให้เกิดสารบประโยชน์เช่นพิกษุรูปหนึ่งไปเจริญกรรมฐานในป่าถูก ง, งูขนาดใหญ่กลืนเข้าไปกว่าจะรู้สึกตัวนั้นงูก็กลืนเข้าไปแย่แล้วแม้จะมีมีดโกนซึ่งเป็นบริการอย่างหนึ่งจะใช้ทำมันตรายต่อ ง, งูได้แต่ก็ไม่ยอมทำ ประโภติจะเป็นการขาดศีลโอกาสที่ความตายจะมาถึงก็ใกล้มากสิ่งนี้ท่านทำได้ในขณะนั้นก็คือสงบจิตจากเรื่องทั้งปวงมาแลลึกถึงความตายที่ประเกิดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตอาศัยมรณะสัญญาหรือมรณะสติเจริญกรรมฐานไปเ็ื่อสามารถบรรลุมรรคผลได้ก่อนที่จะถูก ง, งึก ตุงมูกลืนเข้าไปนี่เป็นการแสดงถึงการรู้จักใช้ชีวิตที่ผ่านมาในแต่ละขณะเพราะชีวิตมันก็เป็นกระแสะเลือนไหลที่ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ประเด็นที่เน้นมากเป็นพิเศษก็คือการไม่ไปปักใจเอาไว้โดยความรู้สึกในสองกระแสะกระแสะหนึ่งท้าเรียกว่าอุปาทานกระแสะหนึ่งเรียกว่า กหคือความยึดถือที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันพึงสังเกตว่าความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั้นเกิดขึ้นจากมีความมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องคือมีความเป็นของเรากับความเป็นเรากับความเป็นตัวเป็นตนของเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยถ้าความรู้สึกอย่างนั้นไม่มีความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นในอารมณ์เ่านั้นเช่นสมมติว่าความตายเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บคขยเป็นทุกข์ความพัะพรากเป็นทุกข์ลึกๆจริงๆมันก็อยู่ที่ใครแก่ใครเจ็บใครตายใครพัฒพรากเพราะถ้าคนที่เราไม่รู้สึกว่าเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องคือเป็นคนที่เรารักประสบกับปัญหาเหล่านั้นเราก็รู้สึกเฉยๆ แต่ถ้าคนที่เป็นศัตรูกับเราประสบกับความแก่ความเจ็บความตายการพรัพราเราก็รู้สึกดีใจแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็เกิดความทุกข์ใจเพราะอารมณ์จริงๆมันคงจะมีสามอารมณ์อยู่เหมือนเดิมคือมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยๆอาการจริงๆก็มาจากความรักความชังและความเฉยๆซึ่งเป็นอาการของจิต ในกรณีใดที่จิตมีความรักถ้าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางดีความสุขก็บังเกิดขึ้นภายในจิตแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีความทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในจิตและในคนในสัตว์ในสิ่งของเหล่านั้นนั่นเองที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นสุขให้เกิดขึ้นภายในใจของเราตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้น ถ้วันใดวันหนึ่งเราเกิดตัดใจไม่ยอมรับในฐานะเป็นของเราโดยการสละทิ้งไปหรือด้วยความโกรธก็ตามถ้าเป็นการสละทิ้งไปตามธรรมดาพอ เ, เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นเราก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าสละทิ้งไปด้วยความโกรธ ด, ด้วยความขัดเคืองด้วยความาคาดพยาบาท ถ้าความเปลี่ยนแปลงในทางเกิดขึ้นแก่คนแก่สัตว์แก่สิ่งนั้นในทางที่ดีเราจะเกิดความทุกข์แต่ถ้าเกิดขึ้นในทางไม่ดีเราจะรู้สึกสะใจรู้สึกสุขใจที่เห็นความาทุกข์ซ้ำซ้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านนั้ทั้งหมดเอากิจมันก็อยู่ที่ใจข้าไปเกี่ยวเกาะเอาไว้ถ้าไปเกี่ยวเกาะไว้มากความทุกข์มก็มากเกี่ยวเกาะไว้น้อยความทุกข์มันก็น้อย ถ้าไม่เกี่ยวกับอะไรไว้ความทุกข์มันก็ไม่มีจะเกี่ยวกับด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราอย่างในกรณีของการเป็นตัวตนของเรานั้นเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นสักยัติทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนและไปยึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตนของเรา เราสังเกตเราแม้ชื่อเสียงเรียงนามตำแหน่งหน้าที่การงานฐานะของสังคมที่เราได้ในขณะนั้นนั้นที่จริงเป็นเรื่องใหม่เท่านั้นตอนเราเกิดมามัน ก, ก็มีแต่จุดเล็กๆแล้วก็เติบโตขึ้นมามัน ก, ก็คือชีวิตแต่นั้นเองตอนนั้นชื่อจะสมมติยังไงก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่พอสมมติพอเรียกข้าวพอมีคนบอกว่าเธอชื่ออย่างนั้นชื่ออย่าง น, า น, นั้นนามสกุลอย่างนั้นพ่อแม่อย่างนั้นปู่ย่าตายายชื่อนั้นชื่อนั้นมันก็สะสมในรูปของสักกายติตรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเช่นว่าชื่อนายกอรนายกอรก็เป็นตัวเป็นตนของเราเราก็เป็นนายกอรนายกอรก็เป็นเราเราก็มีในนายกอนายกอก็มีอยู่ในเราเพราะนใครพูดถึงนายกอรในทางที่ไม่ดีจะเกิดโกรธ พูถึงนายกที่ในทางที่ดีก็จะเกิดความพอใจแต่วันหลังปรากฏว่าเขาบอกว่าชื่อนี้ไม่ดีเป็นอภิงมงคลต้องเปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อปรากฏว่าใครดาร่านายกเราไม่รู้สึกอะไรเรายกย่องนายกเราก็ไม่ดีใจใครด่านายกเราก็ไม่เสียใจเพราะเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นนายกแล้วยิ่งมีชื่อการเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะตําแหน่ง ยนใน ส, สมัยโบราณในือสมัญศักดิ์ของพระนั้นเราจะเห็นได้ชัดพระนัานก็เปลี่ยนธรมะศัก์ไปไเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นความยึดมั่นถรือมั่นในความเป็นตรงนั้นแต่พอเลื่อนสมัญศักดิ์ไปใครไปเรียกชื่ออย่างนั้นไม่พอใจแล้วหรือเป็นการลดยศลดตําแหน่งของท่านเคยไปเรียกชื่อใหม่กงท่านก็นนอชอบใจเพราะฉะนั้นใครด่าชื่อเก่าท่านก็มีเสียใจใครชมชื่อเก่าท่านก็ไปดีใจ ถ้าไปด่าชื่อใหม่ของท่านไปชมชื่อใหม่ของท่านแล้วก็ดีใจตั้งกระเสียใจไปตามชื่อที่ตั้งขึ้นสมมติอยู่ไม่กี่ปีเลื่อนใหม่ก็อีกจิตต้องก็ไปเกาะนะจื่อก็แสดงว่าจริงๆนั้นในความเป็นทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรที่เป็นจริงๆเป็นการสมมติเป็นการบัญญตัติเป็นการแต่งตั้งกันขึ้นเราเริ่มจากความไม่ได้เป็นเราเริ่มจากไม่ได้เป็นอะไรแล้วค่อยถูกสมมติให้เป็นขึ้นมาเรื่อยๆ จุดจบก็คือการไม่ได้เป็นเรามาอย่างที่เรามาเราก็ไปอย่างที่เราไปอย่างนี้เคยยกตัวอย่างพระนามของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเนมิตกนามคือพระนามที่เกิดขึ้นโดยคุณธรรมความดีของพระองค์ที่ทรงใช้เป็นสปนามเรียกพระองค์ว่าตถาคตเป็นการเตือนสติแก่บุคคลทั้งหลายระหนักว่าตถาคตก็คือมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้น มาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนอดีตมีความเป็นมาอย่างไงลําดับขั้นตอนเป็นอย่างไงกี่องค์กี่องค์ก็มาอย่างนั้นแล้วก็ไปอย่างนั้นวันพุทธคุณทั้งเก้าประการจึงมีอยู่แก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ว่าเจาะจงเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าองค์ใดมัก็มีคุณอย่างเนี้ในตัวเราเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมายังไงก็จะไปอย่างนั้น ไปอย่างที่มามาอย่างที่ไปเราเริ่มจากจุดเล็กๆ เ, เป็นนามธรรมล้วนๆอาศัยรู ป, ปรวัตถุออกจากปัจจุบันแต่การมาสู่พบภูมิกาเนิดถือปฏิสนธิในโลกนี้เป็นเรื่องนามธรรมล้วนๆเป็นเรื่องของวิชากับสังขารหรือเรื่องกิเลสกับ ก็นำให้สร้างขึ้นปเป็นปริสนธิวิญญาณก็ซึ่งก็เป็นนามอีกแล้วก็อาศัยรู ป, ปรวัตถกุก็กลายเป็นรูปขึ้นมาค่อยผ่านการเจริญเติบโตขึ้นมาโดย ด, ำดำําดับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยดําดับเช่นเดียวกันเป็นความเกิดดับที่ต่อเนื่องกันไป แบบกระแสกระแสควายกระแสน้ำดังกล่าวเมื่อโตออกมาจากคันมันดาก็เริ่มเๆๆดิอบโตขึ้นไปเรื่อยแล้วในสุดมันก็ไหลสู่กลับไปสู่จี่เดิมรูปร่างกายซึ่งเป็นที่รักที่ถ น, นอมดูแลอเอาใจใส่ห่วงใยกันสารพัดอย่างรนนือบำรุงบำเรอกันด้วยวิธีการต่างๆเอาจริงมาก็ทิ้งไว้ในโลกเราก็จากโลกนี้ไปด้วยสิ่งที่เรามา เรามาด้วยกิเลสด้วยกรรมเราก็จากไปด้วยกิเลสด้วยกรรมสิ่งที่สร้างความทุกข์ก้แก่เราด้วยความรู้สึกว่าของเราก็ดีด้วยความรู้สึกว่าเป็นเราก็ดีรู้สึกเป็นตัวเป็นตนก็เราก็ดีนั่นของเราทั้งหลายมันก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ใครจะราา่ารวยมหาศาลยังไงก็ชิ้งสิ่งทั้งปวงไว้ในโลกนี้แม้แต่ความเป็นเราเป็นนายกอนายขอ ที่ประกอบด้วยขัน ธ, ธ์ธาตุอริยตนะในสุดมันก็ทิ้งไว้ในโลกนี้สังขารท่างกายทั้งปวงก็ถูกเขาเอาไปเผาไฟแม้จะไม่เผามันก็เสื่อมไปตามการของมันมันก็ไปเฉพาะตรวตนสิ่งที่สุกสมมติจะเป็นตรวตนก็คือกลุ่มของกิเลสกรรมแล้วก็นำไปสู่พบชาติต่างๆ เพราะในชั้นหนึ่งเป็นคำสอนไม่ถึงกับระดับที่จะทำลายกิเลสอย่างสิ้นเชิงหรือทำลายกรรมอย่างสิ้นเชิงหรือหลุดพ้นจากสังสารวัฏนัน้นเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่จะมีคำสอนในแนวการลดทุกข์อีกระดับหนึ่งหรือลดทุกข์ด้วยการตกแต่งภพชาติให้ประณีขึ้นหมายความลดกิเลสได้น้อยลงเพิ่มธรรมะให้มากขึ้น ให้พฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวาจาหรือแม้แต่ความคิดใจิตใจของบุคคลเป็นไปในกระแสของธรรมสูงขึ้นเพื่อยกภูมิจิตให้เหนืออารมณ์ทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจนไม่ไปแบกโลกเอาไว้โลกนั้นเขามีให้เราเหยียบไม่ได้มีให้แบกการแบกโลกเอาไว้มันก็เป็นทุกข์แต่เหยียบโลกโดยไม่คล้องไม่ติดในโลกมันก็เป็นสุขได้ คนอยู่ในโลกนี้ยังมีปัญญารู้เท่าทันซึ่งจะเห็นว่าแนวของธรรมปฏิบัติในรูปของพรหมิหารทั้งสี่ประการนั้นสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราก็มองด้วยเมตตาและจากเมตตาที่เรามองสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นเองก็จะมีการไม่ล่วงละเมิดในสิทธิทางทรัพย์สินทางคู่ครองหรือการติดต่อสื่อสารกับคนทึ่เราเมตตา แล้วมันมองเมาตัวเองด้วยสิ่งเสพติดด้วยคนอื่นด้วยสิ่งเสพติดด้วยเมตตาเราเขาประสบความเดือดร้อนแล้วเกิดกรุณาคือช่วยเหลือเขาให้หลุดพ้นจากความเดือดร้อนอย่างน้อยก็ตั้งความปรารถนาที่จะเห็นเขาหลุดรอดจากความเดือดร้อนเราก็ประสบความสําเร็จในความก้าวหน้าเราก็ชื่นชมยินดีโดยมุติตากับเขาแต่เมื่อเขาเจ็บเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเขาประสบผลกรรมของเขา ใจจะไปยึดถือในแนวเดิมไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นสุขก็ไม่ได้ต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ก็ทำไม่ได้จะไปชื่นชมยินดีกับเขายิ่งไม่ได้ใหญ่พระเจ้าก็สอนให้ทำจิตประกอบด้วยเบิกขาคือระวังจิตไม่เกิดยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไป เป็นการแยกใจออกมาจากการเกี่ยวเกาะกับคน ก, กษัตริย์กับสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เราทําอะไรไม่ได้ก็เรียกว่านอกวิสัยคือไม่อยู่ในวิสัยที่จะทําอะไรได้ปัญหาความเดือดร้อนมักจะถูกขีดวงเอาไว้เพียงจุดใดจุดหนึ่งไม่กลายเป็นอาการลามพามเดือดร้อนวุ่นวายกันเป็นการใด เช่นว่าเขาคนที่เราเมตตา ม, มากเคยช่วยเหลือเขาหลุดพ้นจากความทุกข์เคยชื่นชมในความดีงามของเขาต่อมาเ็าเกิดพร่างพราดไปฆ่าคนตายสารตัดจินจงพุกตอนนี้เราใช้ธรรมะสามข้อขังตนไม่ได้แต่ขืนใช้แล้วมันก็เพิ่มความผิดและกระจายออกไปใหญ่โตก็ถึงคราวที่ทำใจประกอบโดยเบิกขาโดยมองในแง่กระบวนการของกรรม ดานที่สุดสาธยากันหรือแม้แต่เขาประสบความเจริญความมั่นคงในฐานะทางครอบครัวทรัพย์สินแล้วเราก็วางใจเป็นกลางได้ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรก็บเขาหรือแม้แต่เขาตายตัวตัวสภาวะทุกข์ทั้งหลายนั้นเช่นแก่กับตายเนี่ยเราก็ไม่รด้จว่วายยังไงส่วนเจ็บก็พอช่วยเหลือกันได้นําส่งโรงพยาบาลกันได้แต่ก็ตั้งความ รู้สึกเอาไว้ภายในใจลองขนาดเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ตายก็หายก็มีอยู่สองอย่างเราพร้อมที่จะเตรียมใจไว้รับทั้งตายทั้งหายหายก็มาอยู่ด้วยกันต่อไปตายก็จัดการชาวปานกิจกันไปไม่ไปเดือดร้อนไม่ไปมุ่งหวังให้เป็นอย่างที่เราต้องการเพราะเขาต้องเป็นอย่างที่เขาเป็น นี่เป็นการสอนให้ใช้ปัญญารู้เท่าทันแล้วก็ปรับใจให้ทันเหตุการณ์ที่กังเกิดขึ้นทั้งในแง่ของการเจริญกุศลธรรมให้เป็นฐานใจในแง่ของการใช้ปัญญาพิจารณารู้เท่าทันตามความเป็นจริงซึ่งหมายความว่า ก, ก็สามารถจะอยู่ในท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายแต่จะไม่เศร้าโศกพิริพิไรราพันในท่ามกลางคนที่กําลังเศร้าโศก จะไม่ได้เดือดเดดือดร้อนบุญวุ่นวายอย่างในลักษณะที่เขาเรียกว่าคนจนตื่นมีเศรษฐีตื่นตายโดยเฉพาะคนรวยนั้นจะเดือดร้อนเรื่องตายนี่มากเรื่องตายก็เจ็บตื่นเดือดร้อนมากวุ่นวายกันไปหมดมีคนเจ็บสักคนเยี่ยมแล้วเยี่ยมอีกจนอากาศในห้องคนป่วยเสียไปเลยเข้าไปเยี่ยมกันมาพอตายก็มีมากรรมร้องห่มร้องไห้กันเป็นการให เพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองในแง่ความจริงแล้วมันก็เป็นธรรมดาก็ไม่ได้เลือกเว้นใครเอาไว้เป็นการปรับภูมิจิตให้อยู่กับทําครางสิ่งเหล่านี้ก็ใกล้ๆกับเรามียานพาหนะเรามีรองเท้าที่จะเดินไปบนพื้นที่สกรปรกได้โดยไม่เปื้อนเราก็ใช้สิ่งเหล่านั้น เดินไปในถ้ำกลางสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายในเหล่อนี้ทรงสอนให้ใช้ทั้งในปัจจุบันที่ทรงใช้คาว่าให้เห็นกระจักชัดในขณะนั้นๆแต่การทำใจเป็นเรื่องที่ตามตายากมนจึงมีคำสอนระดับเรียวกับกรรฐานเป็นการพยายามปรับฐานใจ จเจริญมรณสติจเจริญกายะกตาสติกายะกตาสติก็เป็นการศึกษาเรื่องของกายที่มีความเปลี่ยนแปลงมีความปฏิกูลมีสิ่งสกปรกต่างๆเก็บสะสมไว้มากมายกายกองเป็นรังของโรคเป็นสิ่งที่ต้องเปื่ยหน้าผุพังไป เมื่อศึกษาพิจารณาไปแล้วความรู้สึกว่าเป็นของเราอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือคว้ากันไปเรื่อยมันก็ลดลงไปเองเพราะคว้าไปมันก็ยิ่งเจอของเปืยหน้ามากยิ่งขึ้นเราจะเดือดร้อนเพราะต้องแบกบต้องหาบต้องหอบสิ่งที่เปืยหน้าเหล่านั้นเพราะแม้แต่ขันของเราเองก็ยุ่งยากอยู่ดีอีกระดับหนึ่งนั้นเป็นเรื่องในการมองในแง่ของความตาย จนสติระลึกรู้อยู่ที่ความตายเราจะพบว่าความเสี ย, สยหายต่างๆสูญเสียต่างๆรัฐรลาดต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นเรื่องเล็กเพราะมีเรื่องใหญ่รออยู่ข้างหน้าเกิดการฟัรพรพรดพลาดญาติพี่น้องตายข้าวของหายอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องตายเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าตายจริง ทำให้จิตใจมีความรู้สึกว่าก็ดียังไม่ถึงก็ตายอย่าเป็นแนวการมองปัญหาอย่างที่เคยเล่าถึงเรื่องของพระปุณณนะที่ท่านกราทุลาพระพุทธเจ้าไปเมืองสุนาปรันตะเป็นการมองอีกมุมหนึ่งคือหมายความว่าในชีวิตของคนเราแต่ละคนมันมีเรื่องหนักๆอยู่เยอะที่เราเจอเนี่ยเราว่าหนักเนี่ยมีคนที่เจอหนักกว่า มันก็สามารถเยี่ฝึกให้จิตใจมีขันติมีความอดกลั้นความอดทนต่อ เ, เรื่องเราดัานได้หรือบางครั้งบางครวก็เป็นการปร่งปลดในอารมณ์ทั้งหลายได้พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระปุณณนะว่าเธอจะไปเมืองสุนาปรันตะนั้นคนนั้นคนดุนั้นเธอจะอยู่ได้อย่างไงแล้วก็ส่งสร้างภาพจําลองสร้างสถานการณ์จาลองขึ้นมาให้พระปุณณนะหาคําตอบ พอสมมุติเราไปถึงเมืองนั้นคนก็ด่าเธอนี่เธอจะคิดอย่างไงท่านก็บอกว่าถ้าเขาด่าก็คิดว่าก็ดีกว่าเขาขว้างปาด้วยก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินแต่ก็คว้างปานี่เธอจะคิดว่าอย่างไงแต่ก็ขว้างปาก็ดีกว่าเ้าตีโดยไม้พลองแต่ก็ตีโดยไม้พลองเนี่เธอจะคิดอย่างไงก็ดีกว่าเขาวันด้วยสัตวุธถ้าฟันด้วยสัตวุธก็เธอจะคิดว่าอย่างไงก็คิดว่าดีกว่าเขาฆ่าให้ตาย ก็ค่าตายจะคิดว่ายังไงก็คิดว่าดีกว่าฆ่าตัวเองเพราะคนบางคนอยากตายแต่ก็ไม่ยอมตายจนถึงก็ลงทุนฆ่าตัวเองนี่ก็คนอื่นก็มาเจอยฆ่าให้มันก็ดีกว่าคุเจ้าก็ทรงอนุโมทนาสาธุาวัฒน์บุญนาคุญนะเธอไปอยู่ได้เป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องเธออยู่ได้นี่เราจะเห็นว่าเป็นการมองถึงทุกข์อีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นเป็นรูปของความทุกข ความไม่สบายกายไม่สบายใจเจ็บปวดที่กายที่ใจเนี่ยโดยศึกษาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเราแยกไม่ใช่เรายังไม่ได้เรามันก็เป็นเราทุกข์มันเกิดขึ้นแกเรายังแยกอัตตาตัวนี้ออกไปจากตัวยังไม่ได้แต่ก็มองว่าที่จริงคนอื่นเนี่ยเขาโดนหนักกว่าเราหรือแม้แต่ที่ตัวเราโดนเองมันก็ยังมีเรื่องที่หนักกว่านั้นแต่เราไม่โดนมันโดนขนาดนี้ก็ดีแล้ว เป็นการเสริมพลังของปัญญาที่รู้เท่าทันถึงความจริงที่บางเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังของขันติความบดกัน้นความอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายไปได้การกระทำเหราดันที่จริงไม่ถูกต้องแต่ก็บลราะเขาไม่ถูกต้องเขาคนเดียวเราไม่จำเป็นจะต้องกระโดดไปไม่ถูกต้องด้วยเพราะถ้าเราไปททำอย่างเดียวกับเขาเราก็มีค่าเท่ากับเขาแนวเหล่านี้เพื่สังเกตว่า โบราณของไทยเราก็มียะที่สอนในแนวยกจิตยกจิตหลบจากอารมณ์ล่านั้นเช่นอย่าเอาพิมเสนไปแลกเลือยาทองไปรักกระเบือ้องหมายความว่าเขาก็ผิดไปแล้วหรือไม่คู่ควรแต่ไม่ใช่ไปดูถูดรู้มีนเขาเราดูมีนการการะทำของเขาว่าการการะทำอย่างนั้นของเขาในขณะนั้น ก็ไม่คู่ควรที่เราจะไปต่อรอดต่อเทียงเขาบางทีจะพูดในทํานองว่าเสียสง่าราศีบางทีจะพูดในทํานองว่าคุณค่าของเรานั้นสูงกว่าเขาในขณะนั้นซึ่งกหมายความว่าเราไม่ลดตัวไปทําอย่างเดียวกับที่เขาทำก็จะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้เราสังเกตว่าจริงๆก็มีตัวมีตนอยู่ ยังรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราคนหนึ่งแล้วยังรู้สึกก็าด่าเราอยู่คือไม่ถึงก็ไปตัดอัตตาหรือสักกายทิทิความเห็นเป็นตัวเป็นตนออกไปได้แต่ว่ามันจะมีปัญญาเข้ากํากับรู้เท่าทันหรือปล่อยเป็นเรื่องของเขาหรือช่างก็เถอะอยู่ในสมัยโบราณในตันชัยก็มาช่างหัวมัน หรือใครจะทําอะไรก็ตามที่ไม่ดีก็ปล่อยเขาไม่ดีเขาคนเดียวที่จริงโครงสร้างการปฏิบัติแนวนี้ก็เป็นการลดกิเลสในแนวที่ส่งสอนในชนะความชั่วด้วยความดีชนะความโกรธโดยไม่โกรธชนะการตนหนีโดยการให้ชนะคนพูดจารเราแหละโดยการกล่าวคำศัพท์คำจริงนั่นเองในความรู้สึกนึกคิดแล้วก็เป็นตัวเป็นตนยังเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาคือไม่ถึงก็ตตะนาอุปาทานอะไรได้ แต่ว่าลดความรุนแรงของกิเลสคือแทนที่ใจกิเลสบังคับใช้เสือกใส่ผลักใส่เราทําอะไรไปตามอนาจของเขาแต่เราก็ควบคุมความรู้สึกไว้ได้กิเลสคงมีอยู่แต่เราคุมทิศทางของกิเลสนั้นได้เหมือนก็ไฟยังมีอยู่แต่เราใช้ประโยชน์จากไฟนั้นได้มันไม่จะถึงกับดับไฟอะไรแต่เราก็ใช้ประโยชน์ได้นี่เป็นคําสอนในแนวขัดเกลาไปเรืเลย เพื่อจะให้มีปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงเพื่อจะปรับใจให้ถูกต้องตามกรณีของอารมณ์ที่ังเกิดขึ้นหรือเพื่อจะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นหรือมั่นในยามที่จะต้องปล่อยวางเช่นตายรายอมรับประตายแก่เรายอมรับประแก่เจ็บเรายอมรับประเจ็บก็ไม่เดือดร้อนเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายแต่ที่เราเดือดร้อนมากมา ก, ก็คือไปปฏิเสธ เราจีก็มีความรู้สึกว่าทาไมจึงต้องเป็นเราที่จริงมันก็เป็นข้ามันอย่างนั้นเองคำสอนทั้งปวงที่ส่งจาแนกแสดงไว้ในดับต่างๆนั้นมีลักษณะเหมือนกับขั้นบันไดคือเดินขึ้นไปได้ขนาดไหนก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันมันจะมีความปลอดภยัยปลอดอันตรายเพิ่มขึ้นโดยลำดับช่อยการดำรงชีวิตในปัจจุบันนั้น ยังมีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงและสามารถปล่อยวางได้ประสุดยอดของชีวิตก็คือชีวิตที่สามารถจะดำเนินไปโดยมีปัญญาเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆกันเองตอ่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป